ก็ขอโอกาสเพื่อน้ทุกท่านนะครับแล้วก็เจริญพรยั่งยืนทุกคนเนาะก็โดยปกตนะิในการประทมนิพศยก็ประจำดุสานะท่านก็จะจะมาแต่วันนี้ก็ท่านก็กำลังเดินทางมาเนาะนะอาตมาก็ทา่านที่แทน พวกเราหลายคนก็คงมาเคยเดินธรรมยาตายแล้วแต่หลายคนก็แต่เพิ่งมาครั้งแรกอยากให้พวกเราลองลองนั่งหลับตานั่งทำสมาธิหลับตาสักครู่หนึ่งแล้วก็ลองจินตนาการตามคำพูด ที่เป็นความำจำเร็ของหลวงพ่อความเขียนที่เป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทำย่าตารุ่นน้ํำลำตะขาวนะหลวงพ่อท่านกล่าวเลยว่าแม่น้ําล้มป่วยพวกเราลองคิดดูแม่น้ําล้มป่วยเป็นแบบไหนในกินตนาการของเรา ม่น้ำน้มป่วยในความรู้สึกของเราเราดองแทนตัวเราเป็นแม่น้ำแม่น้ำล้มป่วยเป็นรู้สึกอย่างไรป่าไม้ร้องไห้ถ้าเราเป็นต้นไม้ ถ้าเราเป็นป่าไม้เราจะร้องให้เ ร, เรื่องอะไร <c oughs> แผ่นดินเป็นอมภาสถ้าเราเป็นผืนดี แล้วดินนั้นเป็นอัมชาตเพื่อเหลือได้เองแทบไม่ได้เราจะรู้สึกอย่างไรเราเอาตัวเราเข้าไปรู้สึกถึงความรู้สึกของแผ่นดินที่เป็นอัมชาติอ า, าการ เป็นคิดถ้าเราเป็นสายลมเป็นอากาศเราถูกคิดข้อบงนเราจะรู้สึกอย่างไรพวกเรา ผงรู้สึกนะกับแม่น้ำกับต่าไมนะ้กับพื้นดินแล้วก็กัอากาศมากขึ้นเนาะนี่แหละคือสิ่งที่หลวงพ่อคำเขียนท่านรู้สึกนะท่านอยู่่าดังเขานี้ร่วมสี่สิบปีท่านเห็นนะแม่น้ำที่ร้องไห้นะ ขอความช่วยเหลือจากมนุษย์ท่านเห็นป่าไม้ที่ป่าไม้ที่ค่อยๆหายไปเหลือน้อยลงท่านเห็นผืนแผ่นดินที่ที่เคอยอยุดมสมบูรณ์ตอนหลังก็ใช้ปุ๋ยมากมายกว่าจะได้ผลผลิตขึ้นมา ตอนหน้าแรงก็แห้งหรือบางครั้งก็ดินก็กลายเป็นทรายไหลงมไปสู่แม่น้ำลำทานตื้นเขินเหลือกาในปัจจุบันเนาะก็เป็นคิดร้อนขึ้นอยู่ทุกวันเราลองเอาความรู้สึกของเราเข้าไปแทนที่ธรรมชาติ ที่เขากำลังมีปัญหาหลวงพ่อคำเขียนท่านก็รู้สึกถึงปัญหาของธรรมชาติเป็นแบบนี้แหละแต่ป่าไม้ถืนดินแม่น้ำตัดป่าไม่มีผู้แทนเลยนะมนุษย์เรายังมีผู้แทนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านระดับตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศนะ ยังมีสสนะยังมีอบตยังมีสจยังมีผู้แทนในหลายหน่วยงานเป็นปากเป็นเสียงแทนแต่ตัดป่าต้นไม้แล้วก็ธรรมชาติไม่มีใครเลยพูดแทนเลยหลวงพาอคำเขียนท่านเลยชวนชวนพวกเราเนี่ยแหละให้มาร่วงเป็นตัวแทนของธรรมชาตินะี่ยเป็นตัวแทนของตัดป่าที่กปรแกร หายไปนะเป็นตัวแทนของสิ่งแวดล้อมที่กําลังมีปัญหาพวกเรามาเป็นตัวแทนของธรรมชาติเพื่อเรียพร้องเพื่อปลุกจิตสำนึกเนาะให้มนุษย์เราได้ช่วยกันดูแลธรรมชาติบ้างนะเพราะมนุษย์เราใช้ธรรมชาติกันอย่างมากนะแต่ไม่ค่อยมีใครเป็นตัวแทนในการที่จะเรียพร้องความเป็นธรรม ปักคือธรรมชาติหลวงพ่อคำเขียนาก็เลยลเดิตนยะที่จะเดินทําญาติตามี่แหละนะตั้งแต่ปี2543เป็นครั้งแรกนะแล้วก็เดินมาต่อนเนื่องเป็นประจำทุกปีเนปะ็นปีนี้ก็เป็นครั้งที่16นะที่พวกเราได้มาร่วมเดินนี่แหละถ้าเราเอาความรู้สึกมนาะความรู้สึกของเราแทนธรรมชาตนะิเราจะเข้าถึงนะ เขาถึงว่าทําไมเราถึงต้องมาเดินเราจะไม่รู้สึกว่าธรรมชาติเป็นเป็นสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเป็นอะไรที่ห่างไกลจากตัวเราถ้าเราสัมผัสได้ถึงความเจ็บป่วยถึงความทุกข์ยากของเขาเนี่ยเราจะมีความสงสารเราจะมีความอยากจะช่วยเหลือเราจะมีความปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาลดความทุกข์ลงไปได้ นั่นมันจะเป็นสิ่งที่เรามันกระตุ้นจิตสำนึกเริ่มต้นที่ตัวของเราก่อนเรามาเริ่มเดินก็คือเรามาเริ่มเดินเนี่ยในการกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะสิ่งแวดล้อมให้มันดีขึ้นแล้วก็เป็นการช่วยกันนปะลูกจิตสำนึกของคนตามสอง ข, งข้างทางที่เราได้เดินทางคือเราได้พักอาศัย น, นั่นแหละนะ เราก็ชวนกันให้เขาได้นะร่วมกันฟื้นฟูเป็นกระบวนการเดียวกันหลวงพ่อท่านบอกว่าหลวงพ่อเองท่านก็ทำอยู่กับที่วัดนะทำกับชุมชนรอบข้างมาหลายปีนะแต่ตอนนี้มันไม่พอแล้วนะเพราะว่าธรรมชาตนะิมันต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนอีกหลายคนอีกหลายหน่วยงานเราก็เลยต้องมาเดินนะมาเดินเรียกร้องมาเดินฟื้นฟู ทำไมท่าคนนี้ให้ฝึกขึ้นมาให้มากที่สุดบาคนก็อาจจะคิดว่าการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่ยากเหลือเป็นเรื่องที่ไกลตัวเนาะแต่ถ้าเราคิดแต่แบบนั้นเนาะเราลองถามตัวเองอีกมุมหนึ่งสิงว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราจะทำอะไรบ้างไม่ได้หรอ เราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่เกินไปเราคงทําไม่ได้หรอกนะแต่เราลองคิดดูสิว่าเราพอจะทําอะไรได้บ้างเนพะืให้สิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นมันมีตัวอย่างหนึ่งนะที่ที่ผมจ ะ, จะมาชอบชอบพูดนะหรือว่าชอบกันลูกถึงเวลาคนที่มีคําถามแบบนี้นาะมันเป็นเรื่องราวของของเด็กที่อยู่ชายทะเลเนาะอาจจะดู ไก่จากพวกเรานะทะเลกับภูเขาดูไกกันนะแต่ลองสมมติเราจินตนาการเป็นเด็กที่มีบ้านอยู่ยดินชายฝั่งทะเลเนาะทุกๆเช้านะเวลนาน้ำขึ้น น, ะน้ำขึ้นตอนกลางคืนพอตอนเช้าน้ำก็ลดลงไปเนาะก็จะปรากฏว่ามีเศษขยะหรือว่ามี ปลาหลายหลายชนิดนะที่มันมันเกย อ, อยู่บนชายฝั่งทะเลเด็กผู้หญิงคนนี้เขาก็เห็นเห็นเตกขยักก็ดีเห็นปลาดาวก็ดีเห็นปูก็ดีเนาะอยู่ริมชายฝั่งทะเลยูเป็นประจำทุกวันเขาก็คิดถามตัวเองในใจว่า hey, เฮ้เราจะช่วยเราจะช่วยปลาพวกนี้ได้อย่างไรบ้าง เขาก็เลยคิดว่าเออเรามีเวลาตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนนะ่แล้วก็เก็บปลาดาวปล่อยตืนลงทะเล เ, ออเก็บทีละตัวสองตัวก็ถึงเข้าไปลงที่น้ำทะเลเหมือนเดิมปลาประมาณแต่ก่อนที่เคยวิ่บนอยู่บนใายฝั่งเขาก็ล้องรอยไหายนะ้ำไปดูวิวทอเ เด็กผู้หญิงัวนี้นนะเขาจะทำแบบนี้ตั้งแต่ตื่นเชา้าขึ้นมาก็จะใช้ชฝั่งทะเลแล้วก็เดินเก็บปลาดาวนะปลลงทะเลคุณปฏิสูจน์ธรรมชาตนะิทุกเชา้าทุกเชา้าทุกเชา้าบางเชานะ้านก็จะมีมีผู้ใหญ่นะเห็นเด็กพู้นี้นะมาเก็บปลาดาวอยนะั้นก็หัวลราะในใจว่าเคยจะเก็บปลาดาวแบบนะั้นนะ มันจะหมดแล้วนะชายฝั่งทะเลกว้างไกลหลายสิบกิโลเมตรหลายร้อยกิโลเมตรแต่เด็กผู้หญิงคนนั้นนะก็ไม่ไม่ตอบไม่ว่าอะไรเธ<ม>อก็อยังทําหน้าที่เก็บไปทุกวันทุกวันทุกวั น, นเก็บไปที่ได้ตัวสองตัวถ้าเราลองย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเราจะเป็นเหมือนเด็กคนนั้นหรือเราจะเป็นแบบผู้ใหญ่คนนั้นนะ ผู้ใหญ่ที่คิดว่าปลาดาวที่ติดอยู่รายฝั่งทะเลยเนี่ยเยอะมากทำเท่าไหร่ก็ไม่หมดหรือว่าเราจะเป็นแบบเด็กก็รู้นะั้นว่ามันเยอะมากแต่เขาก็เก็บทุกวันวันหนึ่งก็ได้หลายร้อยตัวเ้าลองถามตัวเองเราจะเป็นแบบเด็กที่เก็บปลาดาวคนนั้นหรือจะเป็นแบบผู้ใหญ่ที่ก็มีแต่พูดว่านมันคงทำไม่ได้หรอก ผมเดอะต่มาก็ชอบเรื่องนี้นะก็รู้สึกว่าเออเราก็คนคนอื่นเนาะนะทุกๆคนก็มีมือมีแขนอ่มีเวลาเหมือนกันเนาะถ้าเราใช้เวลาของเราใช้มือใช้แ่นของเราเนาะเหมือนกับเด็กที่เก็บปลาดาวนะนแต่เด็กคนนั้นเขาอยู่ที่ชายฝั่งทะเลเพราะว่าเก็บปลาดาวคืนไปสู่ท้องทะเลแต่เราอยู่ที่บ้านของเรา เราอยู่ที่วัดของเราหรือเรามาสู่ท้องถิ่นตรงนี้ในช่วง 7-8 วันนี้เราก็ทำอะไรได้มากเหมือนกันน ะ, นะแม้บางทีมันอาจจะเปลี่ยนแปลงโรคไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็ได้ทำอะไรสักอย่างนึง น, นะเพื่อเป็นให้เรารู้สึกว่าเออเราก็ยังได้เป็นตัวแทนหรือว่าเราก็ยังได้ช่วยธรรมชาติมนาะ ธรรมยาตาในความหมายมันก็คือแน่และนะการที่เรามาเดินหรือการที่เราเข้ามาร่วมนะเพื่อเป็นตัวแทนของธรรมชาตินะเพื่อมาช่วยฟื้นฟูธรรมชาติให้กลมสมบูรณ์ขึ้นนะอันนี้คือจุดตั้งต้นของธรรมยาตารุ่นน้ําุ่นเนะ่านะตั้งแต่ปี2543จนถึงครั้งนะี้แต่ส่วนนึ่งเนาะธรรมยาตาก็ไม่ใช่เพียงแค่ เราเดินเพื่อช่วยธรรมชาติเท่านั้นแต่เราลองกลับมาดูดูตัวเราที่ผ่านมาเรามีความทุกข์มากหรือเปล่าลองกลับมาทบทวนดูตัวเราเรามีความทุกข์กายเรามีความทุกข์ใจเราเคยเครียดเราเคยนอนไม่หลับไหมเราเคยกินข้าว ไม่อร่อยไม่อยากกินข้าวหรือเปล่าเรามีความหลุดหงิดเรามีความโมโหโ ห, หรือไม่เรามีความอยากได้ไม่รู้จะพอจะ ท, ทีหรือเปล่ามีมากเท่าไหร่ก็ยังอยากได้อีกถ้าเร า, ย, ายังมีสิ่งพวกนี้เนาะก็ะแสดงว่าจิตใจของเราก็ยังรื้อตึก มันก็มีปัญหาหรือมันก็มีความทุกข์ใจเนาะซึ่งเราก็เชื่อว่าทุกคนก็มีแหละนะไม่ว่าพระไม่ว่าแม่ทีหรือไม่ว่าจะเป็นคาราว่านะก็มีปัญหาในแบบของแต่ละคนนะก็มีความทุกข์ใจในแบบของแต่ละคนแต่จะมากหรือจะน้อยก็อาจจะแล้วแต่บุคคลเนานะแล้วแต่เวลาด้วยเนะี่ยถ้าเรากลับมาดูว่าตัวเราเองเนาะ กายใจนี้มันก็เป็นทุกข์ธรรมญาตาก็เป็นส่วนหนึ่งนะในการที่จะเป็นการฝึกหัดจิตใจของเราให้เราเรียนรู้กับความทุกข์แล้วก็เราจะมีวิธีการที่จะอยู่กับความทุกข์อย่างไรโดยใจที่ไม่ทุกข์นะมันก็เลยธรรมญาตาก็เลยเป็นการปฏิบัติธรรมในรูปแบบหนึง่งเนาะเดี๋ยวนี้การปฏิบัติธรรมนะบางทีเราก็คิดว่าปฏิบัติธรรมต้องไปที่วัด ไปอยู่ในปา่าไปอยู่ในที่เงียบเงียบหรือบางทีในเมืองแต่นี่ก็จัดปฏิบัติธรรมเยอนะเนาะส่วนใหญ่ปฏิบัติธรรมอยู่ในห้องแอร์เนะย็นสบายสิ่งแวดล้อมสบายยันะ่วแต่ทํามเนียตาคของเรานะเป็นาการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าทวนกระแสรหรือว่าสวนกระแสคนอื่นนะที่อื่นเนี่ยต้องไปอยู่ที่เงียบเงียบหรือว่าที่เย็นสบายะ แต่ทรรมญาตาของเราสวนกระแสคนอื่นในการอยู่กับคนที่วุ่นวายนะอยู่กับท้องถนนที่มีรถราวิ่งปอกไฟนะหรือว่าเดินกลางแดดที่ร้อนๆนะมันเป็นการภาวนาที่ท้าทายนะท้าทายคนอื่นเขาก็อาจจะสบายใจได้ถ้าอยู่คนเดียวนะหรือว่าเย็นใจได้ถ้าอยู่ในห้องแอร์แต่เราจะท้าทายตัวเองว่า เราจะสบายใจได้อย่างไรเมื่ออยู่ท่างกางผู้ผลเราจะมีความเย็นใจได้อย่างไรเมื่ออยู่ท่างกางแดดที่ร้อนเราจะดูแลใจของเราอย่างไรเมื่ออาหารมันไม่ถูกปากเราจะอยู่อย่างไรเมื่ออากาศตลางคืนก็หนาวหรือตอนนี้อยู่ยอาจจะเยอะถ้าอยู่ที่บ้านเราก็มีมีมุ้งรูดนะมียากกัำยุงอันนี้คือธรรมญาตามันท้าทาย ท่าไายร่างกายแล้วก็ท้าไายจิตใจของเรานะนะมันเป็นการปฏิบัติธรรมที่ท้าไายนะที่จริงการที่เรามาอยู่ในที่ที่เราไม่คุ้นเคยหรือเจอสภาวะที่มันทุกข์นี่แหละนะมันจะทําให้เราเห็นตัวเองเมื่อไรที่เราเห็นทุกข์เมื่อ น, นั้นอ่นะเราจะเข้าใจนะว่าเหตุของทุกข์มันคืออะไรวิธีการที่จะออกจากทุกข์ทำอย่างไรนะ เราทําได้ยึดหรือยังนะวันแรกอาจจะยังทําไม่ได้อย่างน้อยทำไม่ตาก็จะมีเจ็ดแปดวันนะให้เราได้เรียนรู้นะวันแรกบางคนอ า, าจจะท้าทายตัวเอง่อ้ำเค้าเดินยังเดินประโยคประเยดเนะจ็บเวลาเหยียบก้อนหินหรือว่าร้อนเวลาถู่กับถนนที่ร้อนแต่เราจะมีวันที่สองให้ได้ฝึกผลขึ้นไปนะยังมีวันที่สามวันที่สี่ส ถ้เราจะพบว่าวันที่สี่วันที่ห้าเราทําได้ดีกว่าวันแรกวันที่หกวันที่เจ็ดเนี่ยรู้สึกว่ามันสบายเนี่ยมันเป็นความ ท, ท้าทายความสามารถของตัวเรานะธรรมยาตาก็ได้เป็นการภาวนาในรูปแบบที่แตกต่างจากการภาวนาทั่วไปเนาะแต่สิ่งหนึ่งนะเราก็ต้องเปิดใจยอมรับความจริงไปก่อนเนาะแต่อาจมาเขาเชื่อว่าคนที่มาในวันนี้ก็ สมัครใจกันมาเนาะอาจจะมีบ้างนะเด็กๆ เ, นะเป็นภาคบังคับนะแต่ก็ถือว่าบังคับให้เราได้รู้จักตนเองอย่นะาไปมองว่าอนะเป็นการบังคับแต่เราว่ามันเป็นโอกาสดีที่เราได้เรียนรู้รู้จักธรรมชาตินะบนเสื่อขาครูดินคาบ้างแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นฉนะนั้นธรรมชาตา ก, าก็เลยเป็นโอกาสที่ ส่วนหนึ่งก็ทําให้เราได้ฝึกผัดตัวเองให้อยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็ฝึกใจให้เราอยู่กับความร้อนความแดดทําอย่างไรใจจะไม่ทุกร้อนนะอยู่กับผู้คนมากมายสองสามร้อยคนทําอย่างไรใจเราถึงจะไม่มวุ่นวายตามผู้คนตามกิจการต่างๆทํานะทอย่างไรเราจะอยู่ง่ายกินง่ายเนี่ยก็เป็นการท้าทายตัวเองนะนะนี่แหละคือการภาวนาคือแบบนี้นะ ภาวนาไม่ใช่ว่าเราจะต้องนั่งแบบตาเราจะต้องอยู่ป่าอย่างเดียวเราจะดึงตาดึงตาทากิจกรรมดึงตาเดินท่ามกลางารแดดร้อนแต่เราจะมีสติรู้สึกตัวได้อย่างไรรู้ทันกายรู้ทันใจได้อย่างไรเนี่ยคืองานที่ธรรมญาตาเราท้าทายพวกท่านทุกคนได้มาพิสูจน์มาเรียนรู้น่ะก็อาจมาก็เชื่อว่าถ้าพวกเรา อยู่จนพบเจดแปดวันเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากการเดินทำเนียตตาครั้รรนาาางนี้นาะไม่เพียงแต่ว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชนนอบข้างที่เราได้เดินเพื่อบอกกล่าวในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือว่าเป็นตัวแทนของป่าไม้ภูเขาเพราะ ง, งั้นแต่เราจะได้ประโยชน์กับตัวเราเองด้วยนะในแง่ของการได้ฝึกใจแล้วก็เรียนรู้ตัวเรามากขึ้นอันนี้คือทำเนียตาลุ ม, รรมน้ำลาตะเภาเนาะ ปีนี้เองแล้วก็มีสโลกแกนว่าพลิกพื้นพลิกพื้นไทยให้ชุ่มเย็นใช่ไ ม, มปัญหาเดือวนี้เนาะมันก็มีหลายอย่างสโลกแกนปีนี้พระอาจารย์เปสารท่านก็ตั้งให้ว่าพลิกพื้นไทให้ชุ่มเย็นปีนี้มันร้อนมากมเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเดี๋ยวค่อยฟังพระอาจารย์เปสารท่านอธิบายนะยังมีเวลาอีกเจ็ดแปดวันเดี๋ยวท่านก็เทศน์ให้ฟังนะอาจจะมาก็ ทหน้าที่ในตอนภาคข่ําตอนนี้นะ่าเป็นการปฐมนิเทศแล้วก็เป็นการอธิบายถึงแนวคิดหรือว่านะวิธีการที่เราจะอยู่กับธรรมะยาตาได้อย่างไรจะเกิดประโยชน์ของตนอย่างไรเกิดประโยชน์ของผู้อื่นอย่างไรเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างไรแล้วก็มาร่วมกันเรียนรู้นะเริ่มกันเรียนรู้แล้วก็เช่วยกันนทะุกฝนตัวเองแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรกันเนาะก็ ให้พวกเราได้เดินทางไปด้วยกันตลอดเจ็ดแปวันนี้โดยตลอดกิภาพทุกทุกคนทุกท่านยินดอ